ความในสมาธิสูตรต่อจากครั้งที่แล้วในหน้า524ข้อ114ที่หลังจากที่พระพิสูจน์เหล่านั้นพากันชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของท่านพระสารีบตรว่าสาธุดีแล้วใต้เท้าดังนี้เสร็จแล้วก็กรับเปลี่ยนถามปัญหากับท่านพระสารีบตรให้สูงขึ้นไปว่า ยังมีอยู่อีกหรือไม่ใต้เท้านะนะคือยังมีเหตุคือยังมีปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมที่จะให้อริยะสาวกเนี่ยมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัพทธรรมนี้พระสารีบุตรก็ตอบว่ายังมีคุณนะยังมีอีกอาวุโสแล้วก็ได้กล่าวคํานี้ว่าอาวุโสเพราะเหตุที่พระอริยะสาวก รู้ชัดทุกขรู้ชัดเหตุให้เกิดทุกรู้ชัดความดับทุกขและรู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์เพียงเท่านี้แหละอาวุโสอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัทธรรมนี้แล้วก็อะไรเล่าอาวุโสชื่อว่าทุกขนะก็อะไรเป็นทุกละ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพละดพลากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์แม้ปรารถนาสิ่งใดก็ไม่สมหวังการไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาแล้วสมหวังนั้นก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่อขันทั้งห้าที่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานก็คืออุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกข์นี่แหละเรียกว่าทุกขละคุ้นหรือว่าทุกขละอุโสฟังดูแล้ว ม, มันไกลเหลือเกินเนาะไกลไหมจริงๆแล้วไม่ไกลเราก็นั่งอยูน่นี่แหละเนี่ยนะเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เนี่ยนะตายก็เป็นทุกข์เป็ว่าโศกโศกกาปฏิเทวทุกขโทมานัสอุปาญาตก็เป็นทุกข์ ประจบกับสัตว์และสังขารไม่เป็นที่รักก็ทุกข์พลัดพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักก็ทุกข์ปรารถนาแล้วผิดหวังก็เป็นทุกข์วันยอก็คือเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านี้แหละคือตัวทุกข์ก็อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์เราก็คือตัณหานีา้ใดตัณหาที่ทําให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลิดเพลินเพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้นนั้นคือกามตัณหาภวะตัณหา วิภาวะตัญหานี้เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์ที่เรียกว่าทุกขสมมุทัยแล้วความดับทุกข์คืออะไรเล่าก็คือความดับตัญหาทั้งสามอย่างนั้นแลลวเพราะคลายกำหนัดโดยไม่เหลือนะวิราค ะ, คว า, ะความสลัดความสลัดคืนความปล่อยความไม่มีอะไรใยดีซึ่งตัญหาทั้ง3นั้นเรียกว่าความดับทุกข์หรือเรียกว่าทุกขนิโรธละ ก็คือการดับเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละเรียกว่าความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คืออะไรเล่าก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้เท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เรียกว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เมื่อใดอริยาสาวกรู้ชัดทุกรู้ชัดเหตุให้เกิดทุกรู้ชัดความดับทุกขรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยบรรเทาปฏิคานุสัยถอนทิฐิและมานะว่าเรามีอยู่ออกเสียได้และอวิชาได้โดยประการทั้งปวงยังวิชาคื้อรหัตมักให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุก์ในปัจจุบันทีเดียว ด้วยเหตุเพียงเท่าน <pathogens. S 1> <begging. S 2> ี right. ้แลอวุโสอริยสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้ฉะนั้นความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกที่บริสุทธิ์นั้นก็คือเห็นในอริยสัจนั้นแหละฉะนั้นความเห็นอริยสัจนั้นเชื่อว่าเป็นสัมมาทิฐิเป็นความเห็นที่ถูกที่สุดเนี่ยนะความเห็นที่ถูกที่ต้องเป็นความเห็นที่ นำออกจากวัตฏทุกข์ได้อย่างแท้จริงอริยศาสตร์มี4ี่ประการใช่ไหมว่าทุกเหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกแต่ไม่บอกว่าสัตว์ทําไมล่ะถ้าอยู่บนพื้นฐานสัตตะสัญญาความสําคัญหมายว่าเป็นสัตว์นั้นอยู่บนพื้นฐานของทิฏฐิเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นวิพัชนาทีมีการจําแนกว่าองค์ประกอบของสิ่งเหล่านี้ก็คือ ขันท่าอายตนะสิบสองทาสิบ8ดหรืออาหารสีนั่นแหละอันเดียวกันทีนี้ถามว่ามันทุกยังไงที่เรียกว่าทุกทุกตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเจ็บปวดแต่แปลว่าทุกบวกขังใช่ไหมทุกแปลว่าไม่ดีขังแปลว่าว่างเปล่าสิ่งที่ไม่ดีด้วยแล้วก็ว่างเปล่าไม่มีแก่นสารอะไรเพราะนั้นความเกิดนี่แหละความเกิดนี่แหละคือตัวที่ว่างเปล่าจากแก่นสารความไม่ดีที่ว่างเปล่าอ่างนั้นน่ะความไม่ดีที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ก็ถามว่าประโยชน์ของการเกิดมีอะไรบ้างเขบอกเอ้าก็ดีสินี่จะได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อพ้นทุกขยังว่าดีไหมคิดอย่างนี้เกิดก็ดีสิจะได้มาเนี่ยจะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อความดับทุกขก็ถ้ะท่าก็บอกว่าโห่ไอ้ป่วยนี่ดีเหลือเกินที่ได้กินยาถ้าไม่ป่วยไม่ต้องกินหรอยาไม่มีโอกาสได้กินยาอย่างนี้หเพราะป่วยแท้ๆเลยได้กินยาดีไหม นี่แหละใครที่เกิดมานี่แหละที่มาแก้หาทางแก้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าพขาเกิดมานี่แหละจึงต้องหาทางแก้เพราะนั้นขึ้นชื่อว่าการเกิดจะเมื่อไหร่อย่างไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้พ้นจากความเกิดนั่นแหละทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดเพราะขึ้นชื่อว่าความเกิดหลังจากเกิดมาแล้วเนี่ยนะเขาใช้คําว่าความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์ตั้งแต่ไหนบอกวอะไรอถ้าเกิดในในรกเ ป, นงงเป็นยังไงเกิดในเปรตเป็นยังไงเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นยังไงเกิดในอสุ ร, รกายเป็นอย่างไร ทุกแบบที่รู้กันแล้วถามว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทุกยังไงว่าทุกตั้งแต่ก็อยู่ในคันนั่นแหละทุกที่ยังลงสู่คันซึ่งเลือกแม่ก็ไม่ได้ทุกที่เกิดจากการอยู่ในคันทุกที่เกิดจากการบริหารคันทุกขที่เกิดจากคันวิบัติคันวิบัติก็คือแท้งเป็นต้นเนี่ยนะก็บางทีตายอยู่ในคันคนไม่ใช่น้อยเลยนะที่ตายอยู่ในคันก็ไม่ใช่น้อยทุกที่เกิดจากการคลอดจากคันทุกที่คลอดออกมาภายนอกทุกที่เกิดจาก สัมผัสของเด็กที่คลอดมาแล้วแล้วก็ทุกของการอะไรบ้างเจริญอ่ะนะการเลี้ยงดูทุกที่เกิดจากการเบียดเบียนตนทุกที่เกิดจากการเบียดเบียนของผู้อื่นเบียดเบียนทุกที่เกิดจากการแสวงหาอาหารทุกที่เกิดจากแสวงหาภัสสะกับผลินกราอาหารทุกที่เกิดจากแสวงหาภัสสะอาหารทุกที่เกิดจากมโนสัญเจตนาอาหารทุกที่เกิดจากวิญญาณอาหารทุกทั้งหลายอ่ะนะทุกเพราะอะไร ทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนเนี่ยนะบางทีก็ทุกข์เพราะถูกลงโทษเนี่ยนะโดยประการต่างๆโดนถูกเคียมถูกตีถูกโบยถูกหันถูกเข็นถูกฆ่าหรือว่าอย่างทุกข์ของผู้ที่เกิดมาแล้วต้องเข้าสู่สงครามเนี่ยนะทุกข์ขนาดไหนหรือแม้กระทั่งไม่ไปสู่สงครามอะไรเราโรคภัยไข้เจ็บกว่าเบียดเบียนเนี่ยนะทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี้เรียกว่าถ้าไม่มีความเกิดความทุกข์เหล่านี้จะมีไหมเพราะฉะนั้นความเกิดก็เป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราเสียใจเรื่องใดๆขึ้นมาหรือเห็นปัญหาอะไรนะรู้ว่าถ้าไม่เกิดไม่มีทุกข์แบบนี้หรอกนะเพราะเกิด greeting, ทก st, แท้ๆจึงมีความทุกข์เหล่านี้ทุกข์เหล่านี้เกิดมาจากความเกิดเนี่ยนะยเช่นถ้าเวลาหิวถ้าไม่เกิดก็ไม่หิวอย่างนี้หรอกนะถ้าป่วยบอกถ้าไม่เกิดก็ไม่ป่วยอย่างนี้หรอกบอกโอ้ยเราแก่แล้วบอกถ้าไม่เกิดจะแก่หรือถ้าไม่เกิดจะแก่หรือถ้าไม่เกิดจะตายหรือเฉะั้นความทุกข์ของคนแก่มีอะไรบ้างครัความแก่ก็เป็นทุกข์ไงนะคนแก่ทุกอย่างไง ก็บอกอุยงก็เราทุกเพราะมันเหมือนกับว่าคนแก่คือคนไร้ศักดิก์ศรีเขาว่าก น, นมีความรู้สึกว่าไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพยำเกรงบางคนนี่เขาว่ากันนะคนที่เคยมีศักดิ์ศรีมากๆพรรู้ตัวเองแก่นี่ปับ๊บหมดปมเด่นเลยมันมีแต่ข้อด้อยไปหมดเลยด้อยเรื่องตาบอกเห็นไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมแล้วจะลุกจะเดินจะเหินจะอะไรก็ไม่คล่องเหมือนเก่าลแล้วเนี่ย มันแหมมันประสิทธิภาพทุกอย่างมันอ่อนดกไม่ถ้าเป็นสมัยนั้นนะครับว่าในพระอ้างแหมถ้าเป็นสมัยนั้นนะถ้าเป็นเมื่อ น, นั้นแล้วก็อเอาละรายได้พูดอย่างนี้แปลว่าขวานบินหมดแล้วเนี่ยนะออกมาไปเจออาหารบางอย่างนะั้นนี่นะถ้าสมัยมีฟันนะจะเคี้ยวให้แปลว่าตอนนี้ฟันมันหลอหมดแล้วเคี้ยวอะไรก็ไม่ได้เนะนี่ยนะเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยเป็นหนุ่มสมัยเป็นสาวแล้วก็คงได้อย่างรู้กันแบบว่ากัน ในพูดเมื่อไหรเมื่อยามที่แก่เสร็จแล้วเนี่ยนะตอนที่มันไม่ไหวแล้วแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายมันทุกข์ทุกอย่างไงทุกของคนก่อนตายไม่ใช่ทุกข์เพราะตัวตายจริงๆมันไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกไม่เจ็บปวดแต่ทุกข์ก่อนตายนี่สิคนเลวเนี่ยก็ทุกข์พอไรนะคนเลวก็ทุกข์เหมือนกันนะก่อนตายทุกอย่างไงทุกว่าคนเลวนี่ก็รู้พอรู้ดีรู้ชั่วบ้างก่อนตายนี่ยมันสํานึกอยู่ในใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีทางออกบอกเออไปยังไงต่อไปก็เสียใจกลัวเดินทางมาก กลัวว่าตัวเองไปข้างหน้าแล้วไม่ปลอดภัยอ่าแล้วคนดีทั้งหลายทําไมจึงทุกข์อ่ะก็ทุกข์เพราะพลาดพราดจากคนดีทั้งหลายเขาว่างั้นทุกข์พลาดพลาดจากโภกข้ัพย์ต้องพลาดพลาดจากวงสาคนาญยากทุกจากอ่าต้องสูญเสียต้องจากพวกท้ัพย์จากกัลยาณมิตรจากอะไรทั้งหลายแหลกลัวกลัวการจากใช่ะหมแล้วคนดีก็ยังทุกข์อีกเพราะทุกข์เพราะกลัวการต้องจากไม่รู้จากแล้วจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าน้อเนี่ยนะ จะได้เจอเพื่อนแท้เพื่อนดีอย่างนี้อีกไหมจะได้เจอวงศาคณะญาติดีๆแบบนี้อีกไหมบางคนก็เลยจับแขนหวังว่าชาติหน้าได้เจอกันใหม่ใชขอได้เจอกันอีกนะปะมาณนนเขีเขาเล่ามาขอให้เจอกันอีกนะบอกเจอคนเดียวเหอะประมา น, นั้นโอ้ยดีเหลือเกินเน่ยเจอแค่ชาติเดียวก็พอบราณนั้นแล้วก็แม้ความตายก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะพลาดพลาดบอกว่าเจ็บปวดก่อนตายบอกมันจะมีเจ็บความเจ็บปวดไหนอ่ะจะเจ็บปวดเท่ากับเจ็บปวดก่อนตาย ถ้าไม่เจ็บปวดจริงๆไม่ตายโรคเนี่นะเขาเจ็บปวดเต็มที่แล้วจึงตายพราะความทุกข์ที่เกิดก่อนตายเพราะว่าคนตายนี่ก่อนหลังเขาไม่ได้มาเล่าให้ฟังนะว่าเขาเจ็บขนาดไหนเขาจึงตายนะเขาไม่เล่าแต่สรุปว่าโหตายแน่นอนเหลังจากเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นทุกข์ขนาดนี้แล้วโศกบ่อยไหมชีวิตเนี่ยนะก็ความโศกก็เป็นทุกข์แม้ความโศกเนี่ยนะเดี๋ยวก็เสียใจบ่อยๆคือคือมัน ไอ้คำว่าโศกกะนี้แปลว่าอะไรมันโศกกะมันลักษณะมันโศกเนี่ยนะมันมันอะไรนะถ้าเป็นหุงข้าวเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้ว่ามันเดือดภายในอ่ะไอ้โศกกะก็คือมันเดือดภายในมันเดือดพลาดนะน้ำเดือดนี่กี่องศามันเดือดเป็นร้อยอ่ะร่วมร้อยอ่ะเกือบร้อยองศาเนี่ยจึงเดือดทีนี้ความเดือดเหล่านั้นอ่ะถ้าใจมันเดือดขึ้นมาเป็นยังไงโศกกะก็คือความเดือดใจนั่นแหละใจนี่มันเดือดปุดๆปุดๆเพราะโทรศัมัน พร้อนรนขึ้นมาแล้วก็ใจมันเดือดแล้วพอมันเดือกก็คร่าครวนออกมาคร่าครวญก็คืออะไรมันล้นอ่ะเคยเห็นข้าวมันลน้ลนล้นหม้อไหมต้อมอะไรสักอย่างแนละ้วมันล้นออกมาความครําครวญเนี่ยนะปริเทวะเนี่ยคร่าครวญบนเพอก็คือมันล้นออกมาทางกายบั่งทางวาจาบ้างล้นออกมาทางตามั่งน้ําตาก็พร่ำพลุออกมาล้นมาทางปาก็บนเพบอบ่นอยู่นั่นนะออกมาทางกายบ้างเป็นยังไงอันนี้ก็เรียกว่าความคร่าครวนและความทุกข์กายน่ะ ปวดหัวตัวร้อนเป็นต้นเนี่ยนะปวดปวดเลว็วปวดหลังปวดข้อปวดเขา่าปวดขาดเดินปวดมันเมื่อยไปหมดเลยนะยอมเขาเล่าว่าโอ้มันปวดเมื่อยไปหมดเลยเขาบองั้นก็เดินลงบันไดแค่นั้นเมื่อยเลยแสดงว่ามันความทุกข์ทางร่างกายเลยนะเขาบอกว่าเรื่องอายุมากขึ้นเนี่ยนะก็เหมือนกับบอกทะเลทรายหน้าร้อนเนี่ยนะจับทรายเม็ดไหนเมา่ที่มันเย็นจับเม็ดไหนก็ร้อนคนอายุมากมากขึ้นก็ลักษณะนั้นนะเชื่อไหม คิดถึงศีรษะก็ปวดศีรษะแล้วคิดถึงหัวปั๊บเอ๊นังหัวเรามันมึนมงมงมงว่างั้นพอลืมตาจะใช้ตาเอ๊ะทไมตามชักแย่แล้วนะพอจะหายใจยจมูกมันติดขัดไปหมดนะนะพอจะเลี้ยวเลี้ยวหันซ้ายหันขวาเออมันก็เมื่อยคอไปอีกแล้วว่างั้นจะเจ็บบ่าก็เมื่อยบ่าไปอีกหยิบจับตรงไหนมันปวดมันเมื่อยไปหมดนั่งนานๆให้รู้สึกปวดหลังอีกแล้วเนี่ยนะพอจะเดินก็ปวดข้อปวดเข่าจะนอนก็โอ้ยจะลุกคอโอ้ยจะนั่งก็โอ้ยสรวัตรได้แต่โอ้ยอยู่นี่แหละ แต่ว่าคนมีอันนี้พูดถึงคนมีบุญเขาก็ไม่เท่าไหร่นะก็สบายและกระชับกระเชงเดินเหินก็คล่องทุกอย่างก็สบายหมดแต่คนที่บุญไม่มากเนี่ยนะทำเบียดเบียนสัตว์มาเยอะเดี๋ยวก็โอยเดี๋ยวก็โอยเดี๋ยวก็โอ ย, เ, ย, โอยเพราะว่าอะไรนะผลบุญมันก็ให้ผลบาปมันก็ให้ผลเวลาบาปมันก็จะ ม, มาเตือนเออเคยทําตรงไหนแล้วมันจะค่อยๆตรงนั้นอะ่ะมันทําให้ระลึกถึงมันไม่ให้ลืมง่ายๆนะนั้นอาคุศลที่ทําไปแล้วมันจะไม่ให้ลืมง่ายๆ ความทุกข์ทางกายก็เป็นทุกข์แ <play> ล <with vague même ahead> ้วความเสียใจอีกพอทุกข์กายก็เจ็บใจนะทุกข์กายเท่าไหร่ก็เสียใจเท่านั้นพอทุกข์ทางร่างกายก็เสียใจก็ออกคนอายุมากนะขี้น้อยใจเหมืนั้นขี้น้อยใจขี้เสียใจเศร้าใจเขาไม่มาเยี่ยมเขาไม่มาดูแลก็โบ่นแบบนั้นนะเสียอกเสียใจเนี่ยนะก็เลยพูดเรื่องเดิมได้บ่อยๆพูดเรื่องเดิมได้บ่อยๆเรื่องแล้วพูดด้วยโทสะซะส่วนใหญ่พูดด้วยความน้อยอกน้อยใจเสียใจเนี่ยนะเศร้าใจโอบนอยู่ ถ้าเขาบอกว่าสังเกตว่าอายุมากขึ้นหรือดูจากอะไรก็ดูจากว่าสามารถพูดเรื่องเดียวได้เป็น10บสครั้งได้เนี่ยก็ถือว่าเออใช่ล้อายุมากเลยนะนีเพราะคนอายุน้อยๆบอกเขาก็ไม่ค่อยพูดเรื่องเดียวนานใช่พูดครั้งเดียวสองครั้งก็พอละน่าเบื่อจะตายพูดซ้าๆ ซ, ซ, ซากๆก็ว่างั้นแต่ถ้าอายุมากขึ้นนะเออมันประทับใจนะมันฝังใจก็พูดย้ำยำ้ยำจนตัวเองไม่ลืมไปทั้งชาตินั่นแหละนึกเมื่อไหร่ปั๊บก็จําได้เลยเนี่ยนะมาดูว่าพี่ต่อยแก่ได้ยังก็ดูว่าพูดเรื่องเก่าๆ ท่า น, นความเสียใจก็เป็นทุกข์ส่วนความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์เลยนะไอ้คับแค้นใจเนี่ยแปลว่าหัดแห้งอะ่ะมันเหมือนกับต้นไม้ยามห น, น้าร้อนที่ไม่ ม, มีฝนรดอะ่ะมันแหง้งงานอะไรมันแหง้งหรือก็เหมือนกับว่าโศกะเหมือนอะไรเหมือนกับ น, น้ำมันหุงข้าวแล้วมันเดือดมันเดือดพุ่งๆๆเรียกว่าโซกะปริเทวะมันล้นฝาหม้อออกมาเลยเพราะอุปายาตมันเริ่มไหม้ละพอมันแห้งแห้งแห้งแห้งเลยมันก็ไหม้ละ เริ่มไหมอุปายาตลาักษณะมันไม่ขาม่อเขาว่ากันนั่นแหละมันแห้งใจมันคิดอะไรคิดไปทางไหนทิศไหนก็ไม่ปรากฏเขาว่ากั้นทิศไหนก็ไม่ปรากฏลูกทำไมมันคือสุขทุกข์ขนาดนี้ไหมไหมเขาบโรคเครียดโรคอะไรก็ว่ากันไปทีนี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เนี่ยนะไปเจอกับศัตรูเก่าเนี่ยนะไปเจอคู่เวรเก่าไปเจอคู่อาฆาตคู่พยาบาท ไปเจอเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆที่ตัวเองทําให้เลอะเลอะ เ, เทอะเทอะเนี่ยนะก็โอ้ยทุกข์แล้วลวนะประสบกับสิ่งที่ตัวเองไม่ปรารถนาก็เป็นทุกข์เนีนะเช่นผู้ประสบกับผู้ร่วมงานที่ตัวเองไม่ชอบก็บทุกข์ประสบเรียกว่าพอออกบ้านเท่านั้นแหละโอรถบนถนนนี่มันทุกข์เห็นรถทุกคันมันทุกข์ไปหมดเลยนะคนนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะโอ้ยขยันพูดจริงๆเลยนะเขาเป็นเจ้าหนะ้าที่จราจรตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เป็นเจ้าในที่จัดแจงคนนั้นต้องขับอย่างนี้สิคนนี้ขับอย่างนี้เด็คกคนข้างๆฟังแล้วหูชาหมดเห <c oughs> ็นไหมพูด <c oughs> อยู่นั่นแหละ <c oughs> ขับแต่งให้คนอื่นนะบอกกดจราจรเบ็ดเสร็จหมดเลยมีใครได้ยินหรอกไอคก้คนข้างๆนี่ก็หยหูฟังอยู่นั่นแหละตอนนี้แล้วมันก็ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เลยเป็นทุกข์เนี่ยนะต้องไปฟังฟังฟั ง, ฟ ง, ฟงคนบนเนี่ยนะนี่การพราดพลาดจากของรักก็เป็น ทุกเนี่ยนะสูญเสียของรักที่ไม่เสียนนท์เสียนี่เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเสียอะไรก็พูดก็ทุกเพราะพลัดพลาดจากของรักแม้ความปรารถนาสิ่งใดไม่สมความหวังก็เป็นทุก์อยากจะได้แล้วมันไม่ได้ดังใจนึกก็ทุกทุกทุกเหมือนกันแต่โดยย่อเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละมันจึงเป็นทุกเพราะมีขันธ์ห้านั่นแหละจึงเป็นทุกเนี่ยนะแล้วตัวทุกจริงจริงอะนะทั้งกับเกิดแก่เจ็บตายโศกปริเทวะทุกขโตมนัสเล่ อุปายาททั้งหมดคือ ต, ตัวทุกตัวทุกตัวนั้นแหละคือขันห้าตัวทุกตัวเหล่านั้นคือตาหูจมูกเลน้นกายและใจเนี่ยนะคือทุก